มันมีความมันมเรียกผมว่ามันมีความนมาอี้มันเดียวคามมาความพาเขา้วนลวนควากมัตกระจกกระจกล้วนล้วนมันมีคามมันมันมีอย่างอื้นใช่พวกมันมา ม้อเป็นขีขาเกิดเป็นขีชาแก้เป็นขนีขาเก็บเป็นขีขาต า, มายมารักษาแล้วผมเป็นขีชาตาตื่นขึ้นมาใส่ตาโลดใส่หูโหลดแล้วน้ำตาแล้วน้ำหูแล้วน้ำดังแล้วน้ารินนี่นะกินยุบก็ได้ดไแ ล, ล้วน้าโพธิภพ ว่าอาภาห้องมือยู่บอะไร้นามากผ่อนบ่าอนานหนังย่บอะไรและนํ่นถ้ามาลบมันจะค้นนึกค้นคิดถ้ามาลบ ม, มันยังตาหู<ฮ>จมูกลก ร, ร, ร, ริ้นกายชี่วิภาคอะวเคลืนเดเดเห็นเคยื่อยินเคลือเห็นเคยได้ยินเคลื่อรมเค ย, ย เ, คยย เ, คยเคย่ถูกต้างช ร, ร, ร่วิภาคแล้วตาหูจมูกกริ้น่ การที่ยังไม่ท่นมาถึงทํามาล้มมันนึกคิดอยูนนึกคิดเนีอนาคตมื่อก่นึกคิดเรื่องนี่เก่าร์เรื่องนี่เป็นเรื่องเรื่องตานะ่อนาคตเรื่องหูจมูกเรี้ยงกายใจนะยอนาคตมันนึกไมันนึกเนี่ยอดีตเรื่องตาขหงจมูกเรี้ยงกายใจคิดลวงมาแล้วไม่นึกในปัจจุบันกันเดียวกัน บอกเป็นหกบอกเป็นสามมันก็นึกถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องว่างเสวยในอดีตมันก็นึกถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องว่างสวยในอนาคตปัจจุบันมันแยะไรสองทางปัจจุบันมันมีงานสองทางนี่ เนือาเริ่มเป็น น, นึ่งนเออดีตเมื่อัง้ขึ้นใจที่ลวงไปแล้วอนาคตมื่อไง้ขึ้นใจที่ว่ท่านมาถึงวัจจุบันเรื่องของใจที่กําลังเป็นยู่อดีตเมืนอไง้พูดูลที่ล่วงไปแล้วอนาคตพูรูลที่ว่าท่านมาถึงวัจจุบัน ค, คือพูรูลที่กําลังเป็นยู่ ตาอะไกับคนอายมัดคนไปมัดนี่จะติเหนืออยู่เหนือ้อชมเนี่ยคนจะมาได้เด <c oughs> ือดรอดพรู้ความรู้เหนื้อก็คาหลงไปแล้วัไม่แนวเดือดรอนคนมูห้าก็ไม่สิเดือดร้อนเพราะมันไม่ไลมหงมมลงอยู่ด้เมมานะคนหลงจของคนชนะคนหลงจะ ข, ของบดไปเลยก็บะมาเดือร้อนเพราะยังถือแพ่ความหลงอยู่ แมงคว่ำหลงออกเป็นสี่ส่วนแมงเรลาโกดหลงออกเป็นสี่ส่วนข้อดาบันละได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ท่าข้ามมีระได้อีกส่วนหนึ่งท่าหาข้ามมระได้สามส่วนท่าหันระได้บัสก็สั่ว่า ซาพิธีาสาความสอาดเป็นทุกข์สัง่งาไม่ซาแต่เ็นทุกขเที่ยววตเทดาเพาเ็นพ่มเรายมพรกาที่จะหลอออ่อพระบาทพรี่ก็ตามอำไม่ทุกข์าไม่ซาเขาีนผ่านกกามาเปันสาลบส า, ส า, จบจาแล้วรับคหลงรับควาเพิเนี่ย ไม่เป็นธรรมันว่าตายเหมือนได้หว่าจะทำมันว่าตายอุปสรร์มันนี่ออกมาจากใสมันนี้ออกมาจากจิตใจห้องจิตใจมันนี่อุปสรรเมันกับมันีจิตใจมันมีอุปสรรคก็รูเท่าบ้าแล้วเนือไปแล้วอะไรมันนี่อุปสรร์ ว่าเป็นีขาค้อมลองสะของเลยเป็นทีข า, คาขเคลียดเป็นทีขาควอหลงฝาเนียจอทำลายข้อหลวงบัดว่าเป็นทีขาไหม เป็นเอเย่นพอเดียวในคณะภาคเป็นท้ยคักๆกันมันเป็นผาด พ, พู่อไรมมนเป็นผาดเกล็ดดึงเกล็ดรอยพัจจะบันกองอัาง้าคอ เอาพระปัญญาเป็นลูกระเบิดทุ่มใส่ตแต่กระเจิงบดพระเป็นปัญญาเป็นลูกระเบิดปัญญาโน้สินกยโยหันละสมาธิกยโยหันละจะห่เป็นสินที่แข็งแกร่งเว้นสมาธิที่แข็งแกร่งเป็นปัญญาที่แข็งแกร่งที่สุดถุ่มบดเราใส่จิตใจแต่กระเจิงเลยนะพระเจ้าบังเก่งจางฟางปัญญาทางหลวง มาขึ้นมาแพอีกส น, นแะแล้วมาขึ้นแพขคือสูปอร์พิพันโน่ซูชุยายะสามอีกี้สูปอิพันโน่รักกิเรตได้เป็นเอกเทศกับ่าขึ้นมาอีกทิ่เด่อพาลหันละเดวดัดตผลเดวดัดตธวา่าละหมายความันผูกธมุนตริศัยเลยก็เปนจริงว่าเด้ละเมื่อเูาเท่ามันมันหายเองมัน ห่าห่าสมมุรณห้าละมืดถ้ามืดตาเธอเราไม่ได้ทำท่ากิรหยาละมันได้มันละเองนั่นมืดตาแล้วฮันหินหบหนีมืดกับว่ได้ว่าฮันมันไม่ทากิริญ้าเอีกอก่อนะลองดันพระพุทธเจ้าพ้นมาห่อว่านฝนจากเกลียดบด อันนี้สาสำคัญนะตัเป็นพุชลาบนะนุ้กตกหมดหกดวง เคนลาตายได้โลกผู้คนโง่คนออกจากโลกมดพระอริยเจาะลบงปูนะทมด้งเด้งไม่จากันเล้ที่ลายแผ่นนรัพราะขึ้นหอเพราะขึ้นจากันเพราะขึ้นากันพมดบอถามว่านั่งดอะฮะผู้ป่า่นั่โอโอ้โม่ตัวไปใค่นึ่อ่า อวนเขาจะอ้วนน า, ายชา ย, ายวัดชายอ้วนใช่นเนาะเคยมาเมื่อนกนบ้ารื่องบ้องบินเรื่องบ้องบินนะไม่ตาอากาศอ๋ออ้วนออขาจับปไทยนั่นเพทยลยดีกว่ผมได้ขอตัอ <c oughs> วพี่นี่เลยขอล้วไดนั่งกะไปข้อที่เงียเนาะม <c oughs> ุกไก่มูกอโขขาวบอมันหลูกป้เดี๋ยวไม่เดียวปลาพี่ยิ่งเฮ้าเป็นพี่เฮ้า แปรปีฟุ้นฟุ่นเหมือนซีปีซีปีซีปีเจงห้องกันไงซีปีเจงาห้องกันลูกแปรกนแปรปีสามสิบสองเ้าโหีลายกมูพี่ยังพูบอนุแปรปีพี่เป็นพี่เข้าแปรปีจักซุปซีชิ้มหาปีเนี่ยเ้าสำคันมากรวมมากเลยซุปี้าปี เขาขับเขาพย า, า, 2, 8, า, ย, า, ายามเขบวชได้สองพันสี่ร้อยแปดสิบหกเขาพยายามสิบสี่ปีเขาพยายามเช่หรอเ่เขาพยายามเช้สิบี่ปีร้านร้านของพีงอ่ะพีงเนี่ ย, ยลูกซีค้นเนี่ีันได้ร้านหลายคนเกิดอยู่แม่แม่หน พ่อเจ้ามายามมาว่าสันคิดที่พ่อกูจักไหนนอง ก, กูตั้งแปดปีผมก็โอ้โหเจ้าพูอหายแต่ก็กดโหลดด้วยวกันนะไม่มึงไม่เสียว่าสันพดเกิดปีกุลมาแล้ถึงคุณมา่านดาพ่อแม่แม่นี่เี่ก็เกิดปีกุลเนี่ยถ้าเช้นพ่อให้แม่มาก ข่าบาทถ้าไปบินข่าบาทต้องเลี้ยออกเสมออันนี้เยอะแน่บาดกูจะกินอันเลือไปกูจีกูจีธาตุานในพ่อให้แม่กูกันกูขาจองขาเลยนบาทนี่กูจะกินสุงเลี้เออกไปกูจิอุทิตธา น, นพ่อให้แม่กูกัน้าเหตุยี่สิบูกูขาเองกูส่นคนบ น, น, น, นกก้นกระซังผู้ขาได้ทำมาแล้วม่รก้อนก้อนกะตาม แม่พระจุนี้ก็ตามผู้คาทิธานุครับชุทิธิดาปองไหแมี่ยเรื่ทุกมือว่าเมียประมานตลอดถึงขณะยาติวงที่เปลี่นเพียนยิงเพ่ใส้ตลอดถึงตัวท่างไต่โกษาตตลอดถึงที่ี่ทีมี้านิมีญาตของทิงชัวร์ตั้งไต่โลกธาตุคือออกเั้นเอาเหตุจสมเหตนะครับเป็นเิด้ นเขาเขาจะมาทายมั้เขาเดี่ยไม่ได้เสียงห่อกเขามากเล่าเขาแลอวเออคันมาคอเอาคอยคอยกับบัวเจ้าขอยคอสนญญาหรอส หนึ่งคอยเจ็บเลี้ยงยังงมูเจ้าอ่ะสันเพราะเขาก็ไม่คุ้ค้นมากินตายยังกระันก็หึ่งคอยเจ็เลี้ยงมูเจ้าอ่ะสองเจ้าหน้ามาบ้านคอยกิดเจี๋ยงธรรมาราคอยมีอีกย่างคอยกัดใจกินแล้วคอยขามูขาเปขาไก่คอยบวขาสันสามหนึ่งยามอกบุญอันข้านใส่มูเจ้าพี่น้องออกค้นละหาบาทคอยออกจิบคอยมูเจ้าพี่น้องออกค้นละหน่อยคอยจิบคอยออกสองหน่อยพูดยาวคอยอุ่ เจ้าพ anyway, ี mai, hmm. ่น่อคละพันคอยจะออกสองพันผู้เดียว่อยั่นอันนี้คอยเคยทามาโยบุญนะสั่นมันเป็นคอยในชีวิตของมึงคอยจับเป็นนะสั่นตามจริงเนี่ยเนั่ยนั่นที่แฮ็บบุญนั่นมันผาหมากบ้านน so hmm. ั้นบ้านนี้มากนะไอ้เบิ้ลนับ่อยแน่สั่นไปเชี่ยวหาที่แตกเราโยคอยว่เอาได้สั่นพวกคามั้นคอยผู้่อเดียวสั่น เชียวหักินเหล่าอย่ส่านถ้าพูดสิเบื้องพรเงคงเก่ากว่าพวกนี้ขันเฮ็ดันรับรองในท่านคอยยักสิเป็นไม่รับล่องไม่ในท่านคอยก็บพเป็นเขาก็เลยรับรองรับร่องแล้วก็เป็นแจะเป็นพู้ใาบานโดยบระเจ้านี่เห็นพูดเรเป่าบอกจนพดจจริง ท, ท่านเขาหอนพู้ใหญนักหรอกคือน่นจะขุนท่าแก้วน่านจะุนท่าแก้ว มันน่าจะขุนคุณคิดถ้าแก่เบิ้งโลกเบิ้งบางอย่างแล้วมันบ า, บาดยาตันีเห็นทุกข์ก็เห็นโลกเห็นทุกข์เห็นโลกรอบนึงเห็นขีดก็เห็นโลกรอบนึง เห็นนาวก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นไฟก็เห็นโลกรอบนึ่งฝักโลกเต็มไปด้วยที่หน้าไฟเห็นรมก็เห็นโลกรอบนึงเห็นควบปมะมานวัเถียงก็เห็นโลกรอบนึ่งอ๋อมันถีเบิ่งง่ายยังเบิ่งโลกเบิ่งง่ายเนี่ยเอาปัน้าเบิ่งเนีบ่มันเอาตาอี่เบิ่งเอาปเบิ่งเห็นทุกคณะกี่หนึงเห็นโลกรอบหนึ่งเท่ากันหออ๋ เห็นสิ่งที่่มนสัตว์่มนอนไม่ใช่ดินน้ําพรเราไม่ใ่สังขารตกอทุกคณะนหนึ่งเห็นหลอกลามเรื่องคือการมันสิยบางอย่างใเงหลวงเบิ้งสเจ้าสิร้องมาล้มปเรื่องของเจาะมนมันเป็นจริงยุ่สันต์ะได้วยเอเบิ้องคุมกจริงก็เบิองอะไรคมจริงมันม่ยุงสันต์พวกคนเ็ารลี้ยงคนเล้บางสัตเขากันเล้บางกอไฟเน่เข้าปากองไฟลูกขุมหอ้ม เมื่อเท้าเนี่ยเขาใหปตะเกิดว่าเอาให้ตะเกิดว่านี่ของอยากตายอีกเขาให้ไปตายว่าหนเขาไปตายว่ดนี่เพราะสันนี้เยเขาใหไปทุกข์ว่าหันเขาใไปทุกข์ว่านี่เาะสันนี้และเกิดอีกก็้วคือจะตายอีกคือจะแก้จะเสียจตายจะทุกข์นะนี่หนีนเกิดคือหนีนีทุกข์นี่แก้นี่เสียจะตายนมไมจากไหนให้มันแล้วไปซะ้าสตนี่เนี่ยแสดวาเกิดมาแก้มาแก้มาตายอีกเล อันพูอนสับลมี่แก้ขาแล้วสั่บาลมี่แก้ขามาแล้วพูดอันพูดสั่บาลมี่บบามี่วัดันหาแก้าค่ะเออคล้ายกูขาไม่ครับสมวัดมากๆเออไม่รับม่เนี่ยไม่เนี่ยนี่หลอดหัวไปทีพื้นผู้ผนี่ผู้บาลมี่ยังยังนั่งนานอยู่เนี่ย ลูมปลารีบางเลยขอบาลเราโมก้นะมกกับพวกคนใส่ปลาไปเหลาเรนีมันมอดเนี่ยสางร้ายเนี่ยผู้ราเรนี่สางร้ายกับคนปลาเรมี่ไปว่าคนดีคนดีที่สางไว้คนดีไม่ยังไม่ท่านม่สิไม่พ่อหน้าจต้นปลาเรนี่ มันเกิดมันเกิดคำมันเกิดคำไท่บาลมีบาลมีเป็นคาภาษามกฏบาลมีสัมปันโนถึงพร้อมด้วยบาลมีถึงความด้วบามีสัากันโนถึงพร้อมด้วยบาลมีที่ตางทางก้นขอมีเรียกว่าบาลมีทางข้อึงเรียกว่าบาลสุข อยากเป็นผู้ยิ่งอยากเป็นผู้ใต้ใแบบนี่นะเยาเป็นผู้ใต้รักษาสยงแปดปัจจุบันเป็นผู้ใต้นะผู้ยิ่งเขาคามเห็นแล้ทางไดเขาคมเห็นก็นกล้ายตาเขาไปเขาปล่อยป้าผู้เดียวกขาว่าอะไรมือ ต, ตะโนจ้ามันมักจะาไปจีบไปกนจักจะไีไปคม จ, จะคืขอบกุจักเสียเอาไปรับไทยรักสอนบอกว่าถือ ป น, นาคูใช่วัสดุาร์ น, นาคนทุกในจัจจุบันศาสตร์เห็นไร้ามเข่ า, ขามครับักเส น, นึ่อยคนทุกในวัฏสงสารยามมาทองเที่ยวอีกวางันเาเนี่ยวะามมาทองเทีออ่วยวใ น, ในวัฏงสารอีกเลยไ่ อเยวว่าอนาคตปะกาศน่เอาอนาคตระกาศน่นเถิพาว่าคดอนาคตมืออนกอนาคตมืออ่นเชี่ยงเี้ยมันมเป่นบอพรุ่งนี้พรุ่งนี้กัพรุ่งนี้เสี่งเงี้ยมันถึงมัเป่นบอกอนาคตกะแกงมือเง้วมันจะเสีเอมถึงอดีตกิแจงมือเงยวยัง่จะเสเอมถึงปัจจุบันยังแจงงยวไรกหรอกถึงหก เมธกรรมยู่ข้ามือสิบ ป, ปาดเองกระไรชุบฟั น, นปปเองกระไรปากาไม่ออยั่ในฆามือเขียนยังจะไรตามภาษาจักรของเดี๋ยวาขาจุบันเขาจุบัันนี้ยวัดแกสวนสุรแก่กล่าวนายหลกนายสงสารุปสรรเกิดแก่แก็บจ่ายเนี่ยอุปสรรคาตร์พเนี่เป็นอุปสรรงานอนอะ่ะไม่ศาสตรก็คืออุปสรรค嘛 ไม่พบกับอ so um oui> ุปสรรคเท่ากันเดินเดินนั่รับตือนอุปสรรคทั้งนั้นเพราะที่ยูท่าเดียวว่าไรเนี่ยมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถกินท่าเดียวเขาว่าไรนั่งท่าเดียวเขาว่าไรนอนท่าเดียวก็าว่าไรเปลี่ยนอิริยาบถอุปสรรคั้งนั้นอุปสรรคคอยหายใจเขาออกมันบอหายใจเขาออกไปมันจะตายเป็นอุปสรรค เลยแก่ไว้บันเทาวไว้ถึงยังนั่งอย่างนี้นนมันทันหายอุปรสรรคอะทะเลอุปรสรรคตัวโลกอะนอนก็เป็นอุปรสรรคมันเมือ่อยจังเลยนอนนั่งก็เป็นอุปรสรรคพมันนั่งจังมันเมือ่อยจังเลยนั่งยืนเดินก็คือกันเนีย่ยนิราวดเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนเป็นนิรยาวดเปลี่ยนถูกเลย แล้วก็ทประจำทั้งขานจ้องเอายืนเดินนั่งนอนเปลียนอระยาบถเอากินขาดทัดหน้าหอาหน้ามาเพิ่มขาดทัดไฟกับไฟมาเพิ่มโอ้ปุ่นขาดทัดร่มหมอร่มมาเพิ่มหัวใจเขาออกขาทัดเดินกัาเดินมาเพิ่มคือกินเขาสังเขา สััส้นน้ากเอาธาตุน้ามัมาเพิ่มบหอนเท่าอยู่ไหวความอบอุ่นก็คือธาตุไฟความพัดไปมากคือธาตุลมน้ำเส็ยน้ำเอ็นพัดลมในถ่องลมในใส่ลมพัดไปตาบตัวลมหายใจเข่าลมหายใจออกนี่น้ำดินบำรัุ่งดินน้ำบำรุงน้ำไฟบำบัลุ่มไฟลมบำบัล่มลมบุญ ไปบวกก็บนบาปไปบวกก็บาปท่านเห็นานคิตใจส่วนเรข้ า, าสัญญาสังขารวนญาติุกุกอุเบกานมะันเกิดขึ้นเพราแต่ดักขึ้นกัน่อนไปว่อนมาเลนเลื่อของเกา่าบางเลืองของใหม่ความนึกคิดเกิดมันเรื่องของเกา่าสิ่งที่เขาเคยนึกคิดมาแล่นนะ อดีตไปยังนึกึงเรื่องเกิดแกแด่เจ็บตายชีวิตลงมาแล้วอนาคตไปยังเรื่องเจ็บตายเกิดแกแด่เจ็บตายจะมามาเถงอดีตปยังนึกถึงเรื่องดินนำ้ำไฟร่มชีิตลงมาแล้วอนาคตเรื่องดินน้ำไฟรมทันมาเถิงปัจจุบันเรื่องดินน้ำไฟร่มจะกำลังไปยู่เนี่ยเอาเป็นชวนรู่เนี่ยเาเป็นชวนน้ำมันอดีตไปยังรุ่มเวทนาเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณชีวิตลงไปแล้ว อนคนเป็นยังเวทนาสัญญาสังขาร ย, ยุญาตเวทัตมาถึงปัจจุบันเวทนาสัญญาสังขารญาตเทวทัตาถึงปัจจุบเวทาสัญญาังไารยาตเวทมาถปันเวาสัญญสัารยญาตเันมาถนะ บ, บันเก้ากข เ, เาข้นนะาสงายุญาตเททัตมาถึัจจบนเวทนาสัญาสัง ข, งขารยุญาตเทวทเตาถึงนัจจุบนเนะวทนาสัญญาสังขารยุญามาถึงคัจจุบเวทาสาังขารยุาตวตึกเงป็นเครื่องสัญญาของกรยุญาตเ้า ทำไมสัตว์ยังมีตาเพราะสัตว์ชอบเลียงแลดูลูกทำไมสัตว์จึงจึงจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่เบื่อหน่ายในเสียงชอบฟังเสียงทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพราะชอบดมกลิ่นหอมทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นเพราะชอบริมรถที่อร่อย ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายเพราะต้องการยันรอนอ่อนแข็งมากระทบกระเทือนมาสัมผัสสัมพันธ์ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดยังไม่เบื่อหน่ายสัตว์ทั้งหลายก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลกทั้งหกนี่เองมีตาหูจมูกร่างกายใจความกำหนัดความรักใคร่ความยินดีเกเรตทั้งหลายก็ท่องเที่ยวอยู่ในที่นี้ เหตุนั้นพระเรียเจ้าท่านจึงเบื่อตาเบื่อหูเบื่อจมูกเบื่อลิ้นเบื่อกายเบื่อใจแล้วกรทั่งมาเบื่อลูกเสียงขิ่รถปวดสะพัดทำอารมณ์ด้วยทั้งเวสนาสัญญาสั้งขาววิญญาณด้วยทั้งดีดทางอนาคตกั้ปัจจุบันด้วยโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคกายโรคมันไม่ใช่โรคโรคกระมณรเพราะโรคในตาเขม่โรคในหูจมูกลิ้นเขาไมีมันกลัวมันขวไรเป็นโรคว่านะกระจัดเป็นโรคมันกับตานี่ยชุดว่าเป็นเถาเบง หัก็ฟังสุดปเป็ น, นเราเรียก ว, ว่าโลกเสียงเสียงเนี่ยหัว ก, กับเสียงก็เป็นคู่กันสุดปเปลี่ยนพอฟังพ่อใส่พ่อซอยเพราะว่าตาก็โลกพ่อใส่พอซอยพอเบิ้งเพราะว่าทรงถึงไก่ทั้งนั้นทรงขึ้นพระพช้าพระเจ้าแผ่นดินใจทรงถึงพระนครหลวงคือใจได้รับโทรเลเล่อ ย, ยู่ว่ามีกระเวรขึ้นตากระโทษเลเร่ยลูบโลกประคายใจ หูกระโถนลายเล็กเสียงลงประหาใจจมูกกระโถนลาเล็กินลงปหาใจลิจ้นกระโถนลายเล็ก n, ลดลงปหาใจกายกระโถนลาเล็กเห็นห่อนก้ อ, อนแข็งลงประหัใจท่มาม้มาลม่มท่าม้าล่มเคยเหรองคอตาหองสมุทรเล่นกายที่ล่วงไปแล้วเขาเคยได้ฟังได้เขาเคยได้เห็นเคยได้ยินเคยได้ดมกินที่ล่วงไปแล้วเป็นต้นที่เอามาหันมาถึงเป็นต้นก็เรื่องของเก่าห่านเองล่ะ ไละจัดเป็นอดีตอนาคนปัจจุบันแต่สแค่เอาเกาหนเชี่ยวว่นด้วยนถิู้นใวัดมือก็มันรอรดของเกาพ่อวันโขาบอกว่าให้กวงมันกับกวงหลวว่าให้แคบมันกับแคบพระโหยนลงมหาใจพระพระธาตมขยนลงมหาใจพระพระสังขารแ่ยนลงมหาใจพระพระสมุทรกันยนลงมหาใจ ใจเป็นสมุนตั้งเดิมแล้วรัพยาวมุตติก็ยน่นลงมาหาใจใจก็เป็นวมุตติกรลดปนใจลดนลหาย่น ล, ล, นลงมาหาอีก ห, หนึ่งเดียวกั น, แ ล, น, นาาา แ, ลแล้วมือเข่าเป็นขี้ขากิเลสตัณหามาราศาสตรแล้วผมลมันขึ้นขี้ข้อเลยเข่าเขาเข่าเขาดสากควมากพนขึ้นขี้ข้อพนขึยังไม่ามลงกิเลสขึ้นขี้ข้อเขาลงมเป็น ย่ำาไมมีท่านมีศีลไม่ีผ้าม่านหน้ามันกันอยาก บ, บ่เป็นได้ยุไปไหนละมันก็ได้ย่ำมไหเลว่าท่านไม่ีอันไม่มีอนันบ์ว่า น, นาลึกถึงกุศลฝนบุญอะไรมันเป็นอารมณ์มันกันสนุกขี้ข้อนยมพอมคอสับหวัวฟอกันการเห็นโทษในกิเลสที่ปฏิเสธเม่ไร การเมื่ออาการอาบน้าปฏิเสธว่าไรเพราะมันร่างกายมันเหม็นสาบนี่ปฏิเสธบ่าไรมันชกปกโสมม่น เ, เนี่ยสุดเจ็บใจฮะเนี่สจะเอาอยัางปราดมันว่ะไรกรมีธรรมะของพระองค์เก่ามีศาสตร์เสียงพระวนาสัา น, สา น, าสานปราดก็ปฏิเสธบ่าไรอีกสักันางแต่เมืถึงมืถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่มึงรู้เห่ามันจะเป็นทัพย์ีรลสารโปยพะแห่งนะยันยังขาดตะเพือตะเพืออ่ะมี น้ยแก้วย่องอยู่บนหัวจึงบผงโซรี่สอดหมดที่ไว้ว่าเหม่อาน้นนยแก้วมันยังคือพอพูดารผสมย่งอยงอยู่บนหัวใจจำไว้กันไปบอกไงมืหัวหัวข้อยึดขอ้อใจก็คือทำเรื่องไระองผเก้าทั้หัวกายของหัวคนซิวคนกดหัวใจแต่ก็ไมเส้นทำขององเก่าอ ใจเถืงทั้งดีก็ด้ดีคนเ่าจะถึงสักตัวก็ใจตัวคนสเวตเขาคนพยายามจริงเขาพยายามขาคนก็ใจขาอยู่แต่ห่หผลตามกันเนี่ยหงสเร็จได้สาเร็จเยอะเขาพยายามรักก็ด้รักจุ๊กแต่ห่าให้ผลตางกันอ๋มันโมยแอบใสทุกพยายามทำดีก็หผลตางกันคนเท่าใจถึงกูคน แต่ทั้งท้ดีมันก็ได้ดีตามส่วนควคาของเหตุที่ทำหน่อยมากแต่ังทังสวนมก็ได้รับส่วนตามควนคาของเหตุที่ทำน่อยมากนั่นมันเป็นของคลิปทั้งสองฝ่ายทั้งดีก็เป็นของคลิปทั้งสัวนเเป็นของคลิปที่ว่าอย่างไรผมว่าที่สื่อหรือขอเนี้เห็ุย่ำได้กระไรมั้ดเหตุสวยได้ก็ไรมั้ทางได้รับผลตามกันนี้ล่ะเห็ุดีย่มได้ก็ไรมั้ แล้วถึงคุณพุทโทกอไดรอยู่เอ้ถึงลมหายใจเขาออกกะไรอยู่ยืมพุทธโทมากขน้หน้าแน่สั่งว่าแต่ว่ายืมลมหายใจเขาออกว่ากำลนดได้เขา่า ว, ว่ายืมคะคิดที่มีเมตตาคนรู้หน้ามาจังัดได้นะเดี๋ยวนี้คิดห่อนห่อนยสั่งสมบว่าแตว่า้องเฮาไม่เอา้เฮาอย่างไ ย, ยืมค้าวโกดมาได้นะน้องผู้คารวากโกดได้อยู่เขาเมื่อมันมันไม่อยู่ถึงเมื่อมันไม่หาบุตรได้มันมีอยู่แล้วมันมันาาบใส่ได้อยอมได้ได้บด ผู้คนโไปแล้วพ้นกับพระเชษาย่าับมาใส่เด้ฮะคือพ้นทราไออกจากปากพนนะพระเชษราเอาเขามาถ้าปากเลยว่าคือทายออกจากกฎพระเชษาเอาเขามายับจากกอีกผู้คนโทไปแล้วไก่ม่มีขุนเป็นมหารไม่ทนเป็นอนันต์ท่ำดีมันก ได้ดี ท, ทับซัวมันก็ได้ซัวยุ่ซื่อใจอ่ะเพื่อเสียมันอยากก้มดีวามสัวนะมันอ๋อแสนอรรถมันจะไปฟูของจรากรูคนตายของฆราหัวบริเลี่ยงหูวนี่ก็คนตายแล้วพวกมีเวรญาณนิหันมันก็บริเลาคืกลเขาใหม่มันแงมันก็บริเล่นห้องเส่หูมันก็บริเลี่นมันดองมันอขีงติเขามันก็พวกมถึงก uh ินเพื <h h ่อญาติตลาดบริย่หันพ่นญาติตลาดนี้ห่ะ นี่จากรถขั้นนั้นมันเพลียแล้วเรานนี้เราคนนยากิตลอดมาูแลถิ่มแล้วหาซื้อขันใหม่แล้วยังมาทันเบื้อนายเนีคขันเบื้อนายเขาก็ผอซื้ออีกทุกคนขั้ารถมาเบื้อนยเขาขอผอซื้ออีกขันผู้พันเบื้อนายยังม่ทุนพอซื้อก็ซื้ออยู่มาเท่ากันี้ชุนพอเกิดเกิดจุชุนเพิยังคือขี้เหร่ขันนูไม่ทุนกับว่ามาเกิดอีก ทุนท่นเกิดตัมีเนเบื่อนายเกิดหรือก็บ่มาเกิดอีกหรอทุ่นเกิดตมดีเนยฉันว่าัาเบือ่อนายเกิดทุ่นเกิดก็มีอยู่ก็ปรารถนาประด็นต้องวางมันก็นบม้มีสามสมาแต่ใครชาติที่พิศุขาบาดเดียวสันตุกระเพือนหอดโลวงวัดน่ะผู้ใดเป่นศาสไม่าาพอมันกลับเป็นทุกข์วัดน่ะบอกสับเป็นเท่วุฒเทวดาพระเห็นเพรพมพยมเพราะการจตลดกบาลท่านเสียวัตถุกอเรากระพที่เจ้า ร, า, พพเรารับร่องไว้ตอนไหนมุมมีเยพี่ มิตรชาติชีพทุกขาเพลงรลดวันเนะนั่นคือชนะทุกอันเดียวเส็นศิลกไปโลกธาตุรุ่นนั่เป็นตัวศีลนั่นเป็นสมาธินั่นเป็นตัวปัญญาเมันตัวศีลอยู่วันหนึ่งเป็นเขาลงโซ่งตัวสมาธิก็เป็นเขาลงโซ่งอยู่วันอีกวันนึงตัวปัญญาจะเป็นเขาลงโซ่งอยู่วันึงความจะตเจรันต่ากันระหว่างเมรนมันคือยู่วันเดียวกันนั่นแหละคือหนาขับตาขับดัง กาเห็ น, หนาตากันเยอะกว่าก็ไปเห็นทั้งตาทั้งด่างทั้งแก่ทังองวาวว่ก็คือหลอกลงไปลงไปว่าสนมอล่ลงไปลงไปกล้ใต้ใกล้ใต้ว่าสนบ่องถึงยาผมจะได้ออกถึงยามุ๊บ เลยกขงพับโปรดเรียกน้าที่ของพอบเล็กสมองของพับโปรดบพวกเพชรเลยผู้นี้แจ้งดีตัวไท่านสอนแบบผู้แจ้งไงตะก้อนอย่งหวยประความจะปังได้ย่อประันห้องกลายไปขุนเจัาคห้องเรานี่ยอันนี้เพราีเอารถบมั่จะเพชรจักพีหนาที่เะย ลวงไปลองไปเนียนาริการับหน้าริใจกันเนี่ยเขาใจเป็นผู้เฮ็ดเขาใจเป็นผู้กำนวดเลยน่าริการันมัน้ากับหน้าริใจกันเนี่ยไงตะกี้กกนในใกนนว่ามีหน้าริการ์เนีเขาบอกว่าไม่เดียวเนี่ยเพื่อนทำชาทำจ้างตะกี้ว่าแตไม่เหือขาดคนนี้เอาภาวานาขาดคนนเอาเน่เาหมดชาวของเลียวเ บ, บื้งตะเวนเหมือนไรบดกัาขาดคนด น, นี้เอาของพว่ใครฟิดเลยห อยามันอยู่น้ำเห็นตัวมันก็บม่ใช่ยู่น้ำแน่เอาใจยากก็เรียกหน่อยตัวชีวิตเนี่ยจากมันน้ำนิ้วข่าหามันกินนิ้วหน้ให้มันกินอาจะบ่าห้กินเป็นโทษอย่างนั่งก็นั่งให้อย่างนอนก็นอนหายป่านนี้ก็ไมอยู่น้ำไมอยู่น้ำพยายามกินตลาดฝืนยูว่ามีกระเว่งคื้นหดดูว่ามีกระแว่งคืนก็แกแก่จะมันมีกระเว่งคืน คนเก็บไปเก็บยังไม่เงิงขึ้นคนตายกะตายจากเสาสายใบแจงยังไม่เงินขึ้นนะพื่แกหน่าท่ำบ่อยๆใจกระสุงขืนสูขึ้เนนั้นท่ำพระองค์เก่าสั้งเสตยั้อย่างนี้นะสั้งเสพกันร่มหาใจเขาออก สรงเสรกันสะกคลร่างกายมันโปกระป๊กโฉมมพ่รางงันเสรกันมันตายมันตายเป็นพิพิศาจะได้ลำใสพิพิศากบพิพิศาเขียบพิพิศาหนึ่งค <c oughs> นยังไม่กิเลยที่รซาดเดี๋ยวมันกินก็ตินเขียบสิบลนลูกินปล่อยเขียนี่เราษิพิศาพิพิศานี่ไปตายยังไงฟองอย่ก็ไม่ร เขาฟังไหวหันก็แม่ก็เขี่ยปลาสู่ปูเข้มพิพิศาหนึ่งพิพิษษาหนึ่งยุคหูดังเขาล้มมาฟานหันตายละตายแค่หูดังนพิพิษษาหนึ่งเหมือนทั่วทั้งส ก, กลละไกรเขาบนันตายเป็นอะไรแตกเป็นเนี่ย พขเจาไปนั่งมันได้ก็มียจะลุมไปนั่งมันได้ไปนั่งสั้นเข่ามันได้ก็มียจะลุมตายของเอาก้อนตายไปน้ามันก็แมนก้อนเกิดยุ้มันได้ก็ก้อนเอาก้อนตายไปน้ำนี่มันท่านเห็นตอนไหนตอนห้าเฉยเลยตายใส่ไหมบอกของเหยียบขีดินเขาก็ตายแค่ขี้ินกับมีจะกองฟอดกี้ของแมงเรอวันแมงมือวันแทง มห่อถิมาิเฮียนเวซาออกนี้จากโลกออกนี้จะควงหลงจากของเทียเวซาเคล็ดลับเดี๋ยวนี้เชล็ดลับนี้บมื่อจังมาเกิดมาแกมาเก้มาตายอีท่านหน่อย่อยกาท่านหน่อยไข่เว้นวานสัตัวเดี๋ยวนี้มันถ er right. wow. ิมมาเกิดแข่งดีแข่งตัวอยู่ในโลกในสองซันเนี่ยมัถิมมาแข่งเว้นแข่งไข่กันแข่งกินกับแข่งขี่ขึ้กัน แข่งได้ก็แข่งเสียคันแข่งเกิดก<า>็แข่งไปก็คือกันในโลกนี้เอาแต่เกิดแก่ก็ไปมาอวดกันเอาแต่กิเลสโลกโกโลงมาอวดกันอย่างนแข็งวกันในโลกนี้พราะเนี่ยผานพรสวัสบัณฑ์สัท่าค่ามี่หน้าค้ามี่พระผันอวดทั้งออกโลกมัวห้องผนอวดทั้งอยู่ในโลกอวดทั้งกิเลสใครมีใครกับมาอวดกันเนี่ยมัวหองคนผู้ใดมีธรรมะผู้ใดผันก็บมาอวดกันพวมาจูงกันไปเผาะเข้าไปเผาะว่าส่นจจะสร้างฝูงนี้ว่าส่นเพว่า ดึงเขาาก็ไปนั่งเขาพึดธาสนคือห้าวจะแมงพูแ ม, แมงเพลิงมันจะเปิดเอินแมงว่านมากกินแกส้อนดอกไม้น้ำมันมันจะไปบ่มาไปเลยอะ่แแะแมงว่นจะเปเอิแมงเพิงลงมากนะินขีด้ำมันก็บพกไปคือก่อนอ่ะของไปองว่นในวันตเลาเรื่องตายพพุทธศาสนามันกับสามบามีแก่กาวมาแล้วทิว่างนะ ผู้เขาบวชเลียมสายผู้ชาตาสนาสูไปวัดสูได้ยงตัวยุบานตัวได้อย่งสั่งกระไดยุบานเนี่ยเพิ่นไปวัดเพื่ก็ะไดไปวัดเนี่ยก็บอกยูเราเนี่ยตัวเลียมสาพุทธเจ้าตัวเม่อเลียมสผู้พุเจ้าตัวกไดอันเลียมสพุทธเจ้าเนี่ยผู้เพิ่นเลียมสพผู้พุทธเจ้าพราะวกชาพมาสองคนก็ไดอันเลียมสนี่มันกรไดยุส่วนเนี่ยสูไปห้าพระส้ได้อย่งก็ไดไปห้าพรอันนี่ ซุมมาไปไม่นยังกได้อันซุ่มมาไปห้าผ่านเนี้ยควบเก่าตัวไม่กระบอกกันเลยขา้ามซอนพระพุทธเจ้าเปนเนื้อหลกและสงสารเนี่ย้าวเสียว่าข้ามอนพะพุทธเจ้าเป็นสั่นทีหนึ่งของเส้าหลกรทุกทุกสมัย การเดือดใช้พวกพุทเจ้ากับบงางการเดือดใช้พวกพทธพกับะสมกับบงางกับผสมใส่เองด้วยว่านักไกลเองด้วยเ้ามาพูดได้น้อยกับเป็นเรื่องของห้องเข้าพูดได้ร้ายกับ็เรื่องของพราะมันผสงส่เลยคำว่าผสส่โยมมันกับมันกับอะไรแล้วนักจีบไปเส้นใดทางเก๋ก๋งกงกลางก๋งกลางๆกับอไไ้ทางเลยอันนี้เาผสมใส่เน่เขาเดือนน้อยก็ได้เวลาน่อยเขาเดือดสช้น่อยก็ได้น่อยเขาเดือไใช้รานก็ได้ราเขาผสงสสมสขับสอเจ้าถือว่าดีก็ไ่โรกระาบ ปฏิัติเอาน่อยก็ได้น่อยปฏิบั ต, เเบติเอาหลายก็ได้หลายว่าว่ามั่วสงสัยเนี่ยสงสัยหลายากัคำกสายไหมั้แกคำหั้ใกล้จกระตายคือเทืนนฉันว่าสงสัยลก็ปฏิบัติงานขึ้นที่ายฉันสงสัยลปฏิบัติเนี่ยถจะคองแกปัญหาจะคงองบมกเด้อ ชักี่ษะเสียรับที่ได้ักศีรษะเสยรับที่ได้ก็คังจงคังจางเลยทั้นันก็ไปเขามาตัวเขามาตัวไปทางนั้นก็ไปทอิพทแดนเขาตัวตัวเดียมเสียสานาอื่นก็ไปเป็นหม่สักขีควาเป็นน้าไหลวนเป็นคนหลใจรงลงทั้งเดียวย่าเบือนรงเล่าคนว่า ยินด no no no ีในะพระพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงสนใจในทางพุทธศาสนาชนะความสนใจทั้งปวงเริ่มใส่พระพุทธศาสนาชนะความเริ่มใสทั้งปวงเคารพพระพุทธศาสนาชนะความคารวทั้งปวง บุคคลผู้มีปัญญาต้องเคารพในสิ่งที่ควรเคารพต้องปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติต้องไม่ไปปฏิบัติในสิ่งที่ควรไม่ไปปฏิบัติบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้ไม่ไม่มีปัญญาคอตรงขันข้ามเรื่องจะมีปัญญาเพราะได้สั่งบารมีมาแล้วเรื่องจะมุ่งมีปัญญาเพราะสั่งบารมีอ้อนรู้ ดอกบัวที่แต่หนามก็ไม่จัเป็นหันกอมันมจะเป็นดอกบัวตูมหันหัวมันดอกบัวสร้างหัวมันสีดกระักกระเดียมันก็มีครูอยู่คือกันแ้วว่าสันตายยาวหัวมันว่าสันว่าอสรเป็นเครื่องอุ้นใจของบัวหันมันกับรถเป็นเครื่องอุ้นใจจี้หันี้วเจบัวเป็นเครื่องอุ่นใจเพราะมันถาบริ้วณแกะมาแล้วนั่นทว่าไงล้วหัวมันดอกบัวยาหัวมัน บุญกระยาหัวมันอยากยาคือกินเห็ดยาคืิเห็ดกระสันยาหัวมันเห็ดตามมาเพ่อใจความเห็นจ้งสั่นผมว่าเปล่เครื่องอบอุ่นใจที่ดอกก็มันมันเปียงจ้งว่าเป็นเครื่องอบอุ่นใจกรเพาะมันสา่งบะรมี่มาแก่ขล้ามมาเดียวนังวันนี้บะมีบุญบะมีคุณพ่อคุณแม่บะระมี่มันบะเซียมันเปยังบะเืีอมันกับบะเสื้อแล้วมันสา่งบะรมี่แกกล้ามมาเดียวมันมืดตายเห็นหงเหร มันมันมัรับตายสิมันสวนเข็มได้หรอทิว่ า, วางเลยคือพระสุทิ่นคนเปิดหลวงระเมิดที่ขบดไว้หน่อกับพันหายญาติเก่าคนมันดีสําหรับเธอไม่มาดีสำหรับนักปราชญอแต่มันดีสําหรับเธอคือเป็นวันดีสําหรับเป็นวันมันถึงว่าดีสำหรับเป็นเฟืองทิาว่างไครับ เราจะพุทโต้ข <motion> ้ามนางสิษ <boundaries> ย์กอบอุ่นทำโม่สังโก้อบอุ่นพุทโต้ทำโม่สังโกยนน้ากันพุทธโตไปอ่ะละผูหล่บารมเพบุญทำโม่สงใหม่ถึงละบาบบรมเพ็ญบุญสังโก้พระจ้บัสเพื่อระบาบารมเพบุญอยู่ในดวงใจตลองลองโยนเหวียกัน เสืสามเกี่ยวความกันกพนอนเข่าบ่อนย่อหายา ก, กจับดังกระถึงเนื้อถือกระดูกขึ้กันจับพโทกับถือทั้งม่อทั้งโคอันเดียวกันเป็นปลาตัวเดียวกันจับต่างหางต่าหัวต่างกลา็กันเป็นปลาตัวเดียวกันจับส่วนไหนกับมันเสือกเสียนเดียวกันสามเกี่ยวจับด่านไหนแต่ก็ตามที่จับ ทั้งหัวเขากระทืบมัดตัวเพราะมันตีกันด้วยน้ำที่จับตั้งตีกับถือทั้งหัวคือกันที่จับตั้งขาโตกับถือมัดตัวคือกันเพราะมันเป็นน้ำหงายอยู่ตลอดเลยติดกำปั้นตีดินยังสิกระทืบหดทั้งท่ากระสานเพราะมันดินไม่ซีกับนี่ส้างดินมันเป็นของแข็งเลยมีน้ำสำคันโยกกระสานเ่ยไงดินมันก็มีอย่ ว่าน่เหลี่มสายได้พระพุทธเจ้าพระโคตรธรรมสกครับว่าเหลี่ยมสายได้พระพุทธเจ้าก็กสันโทโภนาคมโนคัปโโมรยามตโยอนีตสาตโตโยพระพุทธเจ้ามากว่าลอยโกดเหลี่สายพระพุทธเจ้าองค์นั้นกับับ่เหลี่สายพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตลอดทังพระธรรมพระอิยพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราดนด้วยตลอดงสร้ินพวนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราดนินด้วยเพราะนี่ความหมายอัเดียวกันนี่ไมต่างกันก็คือความหมายกนโมกตพกบวกที่้าลงต่างกัน เป็นท่าบอนเดียวกันนี่ข้อไม้เดียวกันพิจกันแต่ว่ามาเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุกเป็นยุกเท่านั้นมาก็มาสอนอันเดียวกันมาสอนท่าเดียวสอนเห็นลาบาร์ประเภทบุญกันสอนเห็นลาเวนลาไไฟกันมาสอนสีหนาสีแปดสีสองร้อยยีรุพเกตคือกันมาสอนท่าสีท่านสีพาวานาเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์นั้นเมื่ไหรมาแซงกันบมื่อไหร่มาอวดดีกันคือมูฮ่าวนี่ได้มูฮ่าวรัฐบาลตั cool ้งขึ <si ้นจะเลียเลี้ยงอวดดีกันอวดไปอวดมากก็เตกไปเจอเงินตัว บขาไม่มีที่กิเลสไปตั้งเขาพุทธเจ้ามม่มีกิเลสบดีคัดของเขา้พระพุทธเจ้านั่นะไรแพ้กัว่าเก่งแหละยังไม่แช่งนกข่อตรงตามไม่แอะมึ่งนีไปตาหน่วยังไม่แช่งเราจะไปแท้ตามไม่แอ้กันเดียวกันมันเส็อย่างนูเป็นอีสันเมื่ก็อเป็นอีสันแล้วม่งไม่มีกิเลสเนี่ิว่างเลพก็พุทธเจ้าทั้งหลายเราไม่มีกิเลสเนี่ยเนี่ยในดีนเอามาสอนทางมดหร ขที่อนนี่ดีก็เพิ่มมันที่ใดบ่มันบ่อใดแล้วเพิ่มเนื้อเข้าไปเมื่อไ่เนี่ยไหนเพิ่มราทันเราบ่มีบ่มีขี่เพิ่มกับอกเงี้ยวเพิ่มกับบ่ไม่แก่กลนเพิ่มกบอกจะเห็นไหมค้แล้วมันจะบาดจากรสัตวปว่ายืนเงี้ยวจะจะไปยืนแปว่าขึ้นว่าคือควายให้นั่งลงเช่นจะเอาพาเช่นเอวค่ะสัวแปลว่านั่งลงตะกอนควยหื้อขึ้น ตาพากบอกพระพุทธเจ้าข้นกุฏิวิหากระบอกพระพุทธเจ้าไปกินหน้ามกระบอกหน้ามันมันมีฟัปิดเด้๋ยได้ว่าสันนุ่งสิขีใต้สันคนละในกองสักวันเนะาะสันเนี่ยนายแพระเจ้ า, าก็บอกผมีจา้างแน่เลยกินเขากบอก ยาสุแรบเล้งเนอคือลูกนกลูกหูเพราะว่าอย่าสุดแกปลาคืมาเนี่ยเพราะว่าอย่าฉั้นแรกเลี้ยอย่าฉันดังซับซับกันนี่กระามเ่ยอย่าฉันดังทุ่ดทุ่ดกระหามเนยอย่าพระพุเจ้าบอกว่าุแนว้อย่าฉันเรีอมือเราะฉันเรีมือเครียกน่อยนั่นอย่าฉั้นขอดบาทเพราะฉันชั้นอดบาทเคยยังไงขันเขาว่านเพราะ้ามจะไปตอมมา่อกี้คือไถยตายาโพดเพาะน ขันพ่อข้ามเลยกินค่ะฉันเพื่อนว่าผล่ะเพราว่าขันคอยบาคือเกาวัดกอดๆแล้เกาใเพื่อนเอามาให้แพ้จะเอามาให้ของแจ้งไของแพ้ของมันล่ะเกาจะมือสอดของกระพเอาให้ละฉันคอยบาก็คือข้าวที่ยังไม่พอคำอยาไปขอดบามากินอะเพราะว่าเ่อนเจาะมีุก่อนผละรกอดกอดๆกอดจะห้มุกเขาห้วจัม้นบอมมาสอย่าชำเด็ดฉันอย่าลืมพี่ปาก จ ะ, จะเอามือเพื่อนจะพายชนะน้ำนะครับเดี๋ยวต้สั่เพจะว่าเพื่อนเอาเมื่อสายไปถ่ายจับก้าจบาัจบจุกน้ำตัวเพื่อนบบเซตสั้นเสมอ ม, ม, มันมันมันไม่แรงล่าเมือ่อหาจับบัสจะสองมือจะเปล่ยนลูกวัดเาเพื่อนโอ้ส้ห น, นามันจับมือเดียวเดี๋ยวนี้จับสองมือเดียวเนี้ยเพราะเพื่อนถือว่ามี้าหลางให้เพื่อนมือจะจับมือเดียวนะส้มห น, นามแต่จไป สันบินทานบาลในวนะันมันระรังดี้จังเมือ้อเมื่ออยากให้เปื้อนในวันไปสันบินทานบาลในวันเขาสร้างแนวหนึ่งเขาไปสั น, นมาสวดเมื่อเมื่อมูสวดมนต์บางปากกันด้วยป้าจะมาสร้างหลายห้ อ, อเงเขาไหสวดทุเช้าทําไปสร้างสร้างสันอ๋อมออกไปสร้าง นั <mile> ่นแหละาสำหรับภาวนบ้านภาดังเรียบมันก็ต้องภาเอี่ยมสฉพายังกินมาัอันนี้พระเอาบุรแเรื่ปันใาบาทาสันเอาไปกินจะพากเจ้ามาสักหลอเขาไปกินเขาโตกินเยอหน่อยสบายสัมผัสเยอห่มีผู้ใดมาสวนวนหล่อสวนว่านเนี่ปาวกปากพระชมาโยโซวัสดเบิ้งพระเนี่ยขับหน่อยขับไงปจะปาแต่ือตาไปเรียบงเ่าผู้ใดกินสันคัหน่อยขับไงาะว่าผู้ดเห็ุยังไรผะว่า เมือที่สบายรถปูม well, ันพ่ะพาเอาเฮ้ยอันพระเจ้าพราสอนมันบนมี่เลยไผยเมาสอนดีบรรพุทิเจ้าพวเนี่ยพวกในหลวงเผยเสมลงทุนสามพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธจเจ้าอ๋าพระกุทธเจ้าพระสุตโตธนาพระกุทธเจ้าน้ามาง้าปูพระกุฏิเจ้าที่านุน้ากัมจนา เจ้าทวดพระโอการาตัวนั่เขสู้ได้นไฝได้ย้เซฟอ่งพรอเมย้อว่างโยกโซ่หรือ่าไเนาะแล้วพวสายพวขวายจ้ว่าไงลูกได้หรว่าไ้าเซฟหรือว่าไงนี่ลูกพระพุทธเจ้าพระราหุลนั่นนี่พระพุทธเจ้าข้านาพิานั สามบามีไม่ทักปีจึงเป็นพระเยซูบมีตำนานนะแล้ว่าบใท่พววัสามบาลมีไม่ทักปีโอบมีตำนานเนาะโบมีบอกท้าบอสมไม่ได้เนี่ยบอกตามตั้งบิดาได้เนี่ยเพรเขาแย่โมนี้เขาเิยิ่งห้ได้เยอเนี่ยยิ่งตายย่าเนาะัดตัถบูต้าพระเจ้าหัวเนาะเี่ยเขาตัดหัวพวกท่วโลกไปหลางสีเขาอย่งตัให้อาบริตัทได้ สามบรมีมาจัตพีสามบรมีมาแต่ขังพระเจ้าองค์ไหนจะปังไหนพระารีบุตรสามบรมีมาตอนแท้ขังพระเจ้าอา น, นุมาทรสรีสามบรมีมาทีเป็นทาวบุญครัวพระโมคคาาัลลักษุกันพระอา น, นุกุศลกันพระพุทธเจ้าปัตถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาจ่พระเจ้าที่ปังก้อนเอ้ามีตำแห น, น่งมัดโยงเกันตันหางยาฆ่าหมด พอมาได้องพค่าศาสนาพุทธคนเป็นยังมาตายง่ายแท้เอาสั่มันคาัดจะศาสตรก้อนมาสั่คนเป็นยังมาม่โรครู้แถวสั่มันเบียดเบียนซัดอาคนไปยังมาเกิดตะกุนต่้มแถวสั่งจะศาสตร์กรอนมันเพราเขาลมรายพอแม่นั่พระพุทธเจ้าตอบด้ว่าคนเกิดมาเปียงจะไม่มีผิวดำแถวมันท่านของตะกอมันสอบต่ของดำดำาสั่งพระพุทธเจ้า คนปีนังยังไม่มีผิวขาวแต่มันธาตุนันแลมันสอบไปขข้ของขาวๆอาาพเจ้านำมาให้สูตรมันมีวะเนี่ยข่าจังแน่วะพระพุทธเจ้าบอกไม่นซ้าพระติเกงปนได้กัเรี่ยมกลางคนมาบอกพระจ เ, เป็นพระรนต น, นี่กัเรี่องกลางคนแ่พจน เ, เป็นกอนเล้วพระจโตโมห้องมันนี่ก็พระพุทธเจ้าโตมาก้อนแนว ตัวราชการขุนพระคุณทั้งปวงไหลขึ้นุณประพุประทมประสงบนคุนประพลุพระทมประสองอะไหลขึ้นุณพันิิพาน์มัด อ, อ๋อถ้าปะะระทุก็ไหลลงสู่มหาสีนระกวัดเนานั่ เป็นเมื่องข้นข้อมหาเลยขีนรกเอ้าสรรพสสพคุณก็เป็นเมื่องขืนของฟ้าเนี่ยฟ้าหนาวนั่งแต่ข้องดีปานเนี่ยเพราะว่าติดถิ่นนรกปาเกิดเลยตายมาก็ไม่คิดไม่ใช่ในสอมหาสมุทรลอยกววดมหาสมุทรกสิเลียมใส่พระพุทธก็ทำประสงค์อยู่เอ้าวอย่างไรพระนครถึงวะ้ป เฮ็ไปเเฮ็ดไปได้ก็เเป็นพระรหันต์รอกว่าจัมเป็นพระนพระหน้าคามี่ว่เอาอ่ะมเป็นพระหนาค้ามี่พระสกทาค้ามี่่เอาอ่ะมันปพระสกทาข้ามี่พระสวสดาวันว่เอาอ่ะคว่าเป็นพระสวัสดาบวันตายแล้วไปเกิดในพุทมรดกว่าเอาอ่ะด้ไปเกิดในพุทธมรดกตายแล้วไปเกิดในสวรรค์่เอาอ่ะบ้้ไปเกิดในสวรรค์ตายแล้วไปเกิดในมรด่เอาอ่ะเอาใจล่งมาหกกันเนี่อชูเฮ็ดเขาชูเฮ็ดท้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัยเฮ็ดจวน หาอยู่หากินหาได้ก็เพาเป็นเศรษฐีเพเป็นเศรษฐีก็พดีเขาไปขอเพ่นไปักเพื่อนบอเอานัม่รู่ไลงลองยังา้ปวดม่อนกันทบ่เอาคาว่าได้เศรษฐีกับ่เอาปยูงบงลูกกเจ้าเศรษฐกินนะไม่ได้เป็นเศรษฐีได้กินซมอก็ดีอยู่หรือว่าจะอะไรสัก หลเรียมใสถือผีมึงไางไปกับุกกระจาเที่ยวปรดานิยมบอกบว่าน้ำเลี้ยวเจ้าคนนึงผมมาส า, ามตะกี้อยู่คาราวานนิ่มันเจ้าเจ้มึงถือผีมึงถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่มันผีบอกว่าท่านง่ยมึงผีเลยวะพระพุทธเจ้าพรเนยผ้านบริบับรรดากผีเลยวะ บัญยัติวาพพาณนีะตัวจะไปซื้อผีสำบาบตายเอาะไหวพ่อไหวแม่มุนมุนหวยผีบอก่าเรล้าไหวพคุณเพลินไหวท่านไหวพระคุณธารุปไหวก่อนอิฐกอนปูนมุนมั่นใจมุนบอกว่าเหล้าไหวคุณเพลิน่นว่านไม่ไหวก่อนอีฐก่อนปูนเลยขอั่านไหวคุณเพลิน พวกพวกทุทริกาชมหามหาว้าวพระพุทธลุกเข้ามาวายตัวเป็นแค่ผูดังเพี้เงียบเพี้เงียบเยอยนามเขาลำจอนโอาำเำหาตายข้าพาว้าพุโทโธไปพ่อมาโลกหนไปเท่วโลกันย่างตำนอนตายนอนข้าภาว้านับข้าพาว้า ชีวิตดีก็นอนเฉีเอียงก็พูแต่ว่าทักกนไอ้กูพูดีกว่าไสิอ้กูพดีก็นอนเฉียเอียงนบออเอาแล้วนะมื่อไหร่เนมื่อโอมันจบแลมากครับแก้หน่อยแก้หน่อยมันมากหากลินตบแล้วมากจมากจะเต็แล้ววเอาแล้วนาตสอะไรพวกเร่อเอา าการแต่งตัวอืมอืมกัเมื่จะบอกให้ซ้อนอะไรเี้มันไม่ ค, รรรควตรให้ซ้นบอกหน้าไม่แฟรบอกเลยนหัวหาเอก็ว่าจะนะในคิดหนึ่งที วัจะนะับแปลว่าคาพูดวัจนั่งนั่งรัาคำพูดเลยเพาหกับแปลว่ า, า, าวรรัยโยนล้มมะเอกะวจนะไม่คิดฮันถ้าใจโนลมมะเอกะใจฮันถ้าถูกโยนล้มมะเอกะทุกฮันดีทั้งหลายก็มาบวกดีเขานึ่งดีตัวทั้งหลายเขมาบวกวววววตัวเนื่องตัวใจฮันเหล่าตัว ท่านหน่อยคอยๆท่านล่ค่อเว้นงั้นมาเกิดแก้เคล็ดใจในวัาสงสารอกท่านหน่อยค่นนอยๆท่านไล่ค่อยเว้นเย nice. ีงยังไงตัวม mm. ีแนวกินแนวกินเอาไว้ขั้วมันอ้แล้วที่ฝันมีคนกลมาหลันเนาะ มา ส, ง ส, งสงองสามเรา้นกรรมฐานดักง่ายอ่ะเออคาวสมยโรับรับเพื่อภนผ่านกรับกบรับเพื่อภาิพาผ่านกหายใครเพื่อภนผ่าน่มันรับบูชาจกรีบดต้องหายบูชาเกลียดอมาโ ทำไมฉันโควอยวกกวาดอากทำวาดไหมัะฮะฮะฮะฮะฮะฮะะฮะฮะฮะฮะฮะฮะพะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะมะฮะฮะฮที่ฮะฮะฮะะฮะะะะะะ พระพิพุยวาจันติสัพพติภูระพิพุยสัพโรภูยานเถรตมาเตตุวัตว่วนตรายูพระพิพยคาโยโกโทอภิวาจันติฤาษีจางยดาจารยิโนจตารุธรรวะกันติปายวโนยุคันข้อกาลวงปูุ่ดท้ายพี่ก็เหลือมีสบาวหลวงูมคนเดีคนห ยินดีนมัไปเอาอ น, นั้นมั้ยเสือพระหัมตายแล้วศูนย์ไปไปแก่คุบว่ากบมลงพระรัมตายแล้วศูนย์ ถือทั้งเล่นดีที่บ่าถึงทั้งได้ดีถือภาษาริบุสเองอ้าถ้าอย่างนั้นเธอหาพระหังงานขั้นห้าซิก็เลยหาพระังงานในขันหักนั่งกับโค้งนั่งกับค้นนั่งกับเล็บนั่งกับฟันนั่งกับนังนั่งกับเนื้อนั่งกับเอ็นนั่งกับกระดูกนั่งกับเยอะนกระดูกนั่งกับมากนั่งกับหัวใจนั่งกระตับนั่งกระปอดนั่งกระไซไง น่าจะไตน้อยน่กากัอาหารไม่น่นกัอาหารเกา่านี่จัดว่าเป็นถาดดินบอเห็นปะลหันหาปรละหันในถาดน้ำหยดน้ำดีครั้งก็ไตตับเนี่นยน้ำเสล็ดครั้งก็ข้อเนี่ยเป็นมะงมวกน้ำน้องยี่น้ำเสียระบาดแผลน้ำเลือดมีสองยางตั้งสวมมามจับปอดหัวใจอยู่หลายชื่อมังไปหาม้ามหาตับหาปอดทีละน่อย นอกจากนั้นกับขึ้นหนับข้างกลางๆหลายศึกษาอยู่เมื่ไหร่ถ้ผมขนแล้วฟันอันนั้นเสียเนาะเกิดเกิดหนับบาดหน้าแพ้เลือดเลือดว่าแล้วเงื้อน้ามันขนเตล้มัน่นหนําตาดูคุ้มตาทั้งสองหนําล่าเกิดขึ้นที่กับคงแก่เกิดขึ้นใตลิดีดมาไหลอยู่กับคงแก่หนํามูกข อ, อกไม้จากนี้ไหลต้องออกมานี้ น้ำไข่ขออยู่กับคอกระดูกน้ำมูกก็ อ, ออกจากอาหารเกา่านี่ก็เป็นได้สักวัฒาาน์น้ำโมเสสหน่ะพลังานขั้นห า, หาพรังานในส่านไฟให้ไฟเที่ยงไก่ให้สุดโจมไฟที่ยะก่ให้กบฏกไ ว, วายไฟที่พอเาอาหารให้ร่อยเป็นได้สักวัฒน์ไฟให้โเสสหน่ะพลับงระหาพลังงานในถา่าน่มให้ ร่มพัดขึ้นบางวนร่มหา้าร่มเล่าร่อมอวกร่มพัดล่งบางตำ